รัตตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่22สุตตังตปิฎกอังคุตระนิกายปัญจกะนิบาททุติยปั น, นาตหมวดห้าสบที่สองหมวดนี้มีห้าวักวักละประมาณสิบสูตรเช่นเคยวักที่หนึ่งชื่อนิวรณวักว่าด้วยนิวรณวักที่สองชื่อสัญญาวักว่าด้วยความกำหนดหมายในใจวักที่สมชื่อโยธาชีวาวัก ว่าด้วยนักรบวัคที่สี่ชื่อเทรวัคว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเทระหรือผู้เท่าวัคที่ห้าชื่อกกุทธวัคว่าด้วยบุตรแห่งโกลิยเกษตรพระนาม ก, ากักกุทธวัคที่หนึ่งชื่อนิวรณวัคว่าด้วยนิวรณทรงแสดงนิวรณ์ห้า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 องค์ของภิกษุผู้มีความเพียรห้าอย่างคือมีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีอาพาธน้อยไม่โอ้อวดไม่มีมายาทำตนให้ปรากฏตามความจริงในพระศาสดาและในเพื่อนปรมจารีผู้รู้มีความเพียรมีปัญญา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 อันจะทำให้ละความเมาในความเป็นหนุ่มสาวได้สองเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ในวงเล็บอันจะทำให้ละความเมาในความเป็นผู้ไม่มีโรคได้สามเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ในวงเล็บอันจะทำให้ละความเมาในชีวิตได้สี่ เราจะต้องพลัดพร้าจากของรักของชอบใจทั้งสิน้นในวงเล็บอันจะทำให้ละความติดหรือความกำหนัดด้วยอานาจแห่งความพอใจหรือฉันทราคะได้หเรามีกรรมเป็นของตนทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นในวงเล็บอันจะทำให้ละทุจริตทางกายวาจาใจได้ เจ้าลฤชวีพระนามว่ามหานามะแหล่งอุทานว่าชาววัชีจักรอดชาววัชีจักรอดและได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้เหตุผลที่แปล่งอุทานเช่นนั้นรอดทรงเห็นลฤชวีกุมารทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ดุร้ายแย่งปล้นของขายเช่นอ้อยพุชตาขนมมากินเดินเกียรเท้าผู้หญิงข้างหลังแต่กลับมายืนพนมมือนิ่งเข้าไปใกล้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 ตรัสแสดงธรรมะห้าอย่างข้างต้นมีเห็นว่าไม่งามในกายเป็นต้นว่าเจริญทำให้มากแล้วจะทำให้มีเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตเป็นผลเป็นอนิสงส์เมื่อภิกษุเป็นผู้หลุดพ้นเพราะสมาธิคือเจโตวิมุตตและหลุดพ้นเพราะปัญญาคือปัญญาวิมุตตก็ชื่อว่าเปรียบเหมือนตีเมืองฆ่าศึกได้คือหนึ่ง ถอนลิ้มเครื่องกีดขวางเทียบด้วยละอวิชาอย่างถอนราก 2- อถมคูเทียบด้วยละความเวียนว่ายตายเกิด 3- ถอนเสาระเนียดเทียบด้วยละตันหาอย่างถอนราก 4- ถอนกลอนตรงนี้อัตตกถาแก้ว่าทำลายบานประตูเทียบด้วยละสังโยตหคือกิเลสเครื่องปูกมัดเบื้องต่ำ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 ญาตินำมาพยาบาลและหาย 5. ที่ชนะสงครามแต่และข้อเทียบด้วยการประพฤติพรมจรรย์ของภิกษุเช่นกันทรงแสดงอนาค ต, ตภัยคือภัยในอนาคตห้าอย่างซึ่งภิกษุผู้อยู่ป่าเมื่อมองเห็นก็ควรเป็นผู้ไม่ประมาทภาคเทียนเพื่อบรุธรรมที่ยังไม่บรรลุ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 หรือการงานที่ไม่เนื่องด้วยการอบรมจิตใจ 2. การพูดมากสการนอนหลับสการคลุกคลีด้วยหมูหไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วและฝ่ายดีส่งแสดงโดยในตรงกันข้ามและได้ส่งแสดงธรรมะฝ่ายชั่วฝ่ายดีทํานองนี้ ในในอื่นอีกวรรคที่ห้ากกุทวัคว่าได้บุตรแห่งโกริยกษตรพระนามว่ากกุทะทรงแสดงสัมปทาคือความถึงพร้อมหรือความสมบูรณ์ห้าอย่างหลายในส้ำกับที่ตรัสไว้ในตอนต้น ในหมวดห0ที่หนึ่งแล้วทรงแสดงการพยากรณคือการอ้างว่าได้บรรลุอรหัตตผลห้าอย่างคือพยากรณ์เพราะโง่เขลาปราถนาลามกจึงพยากรณพยากรณ์เพราะเป็นบ้าพยากรณ์ด้วยเข้าใจผิดว่าได้บรรลุและสุดท้ายพยากรณโดยชอบคือได้บรรลุจริง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 หลับน้อยประกอบธรรมะเป็นเครื่องตื่นสะดับจับฟังมากทรงจำไว้ได้พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วและทรงแสดงยัก้ายาอีกหลายในคล้ายคลึงกันทรงแสดงว่าระตถาคตย่อมแสดงธรรมด้วยความเคารพหมายถึงด้วยอาการอันดีงามไม่ใช่ธรรมอย่างเสียไม่ได้